รยาบารักษายอย่าเจ็บไข้ไม่ทอดทิ้ง 4. ่แจขอมีรถแปดให้ได้รับประทานบ้างห้าให้หยุดงานตามการสมัครควรคุณยายนำลังเป็นชานยันวบาวไพรได้รับการบำรุงในเมืองเราควรปฏิบัติตามายด้วยอาการทางสถานคือ 1. มาทา ง, งานหรือลุกขึ้นทำ ง, งานก่อนานาย 2. เมื่อการที่อลงงาย แต่ขอเฉพาะที่ทง่ายไม่นองละไมรถถ่รู้สึกวิสาสะสี่ทำการงานให้เยือขึ้นระดับแะนะเอนคุณงานความดีของนายไปสังเสรญในที่ต่างถท่าทีการและเทาศาจะเนื่อยให้ทุกเบื้องหนึสกพรามบุคคลที่ปฏิบัติต่อทา่านเรือการให้สถานคือนจะทอะไรต่อทาอ่ า, ทานาก็ทำด้วยความเมตตาสอง จะพูดอะไรกับท่านก็พูดด้ยวยหนูตาสาจะคิดอะไรกับท่านก็คิดด้ยวยหนูตาส่ในเข็ดประตบ้านคือไม่ห้ามเข้าข่าวบ้านมีประตเรัที่เปิดรับอยู่เสมอ5าถวายอาหารและประชันคนอื่นอั น, นสมควรแก่สนาสมนักพาดารับการบังคับ คือที่ที่เคยบนว่ายเพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมเมื่อปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสัความเจริญเ พ, พระาะผู้มีกระพุทธาได้ทรงมีเหตุการณ์ที่เขาประพฤติ อ, อยู่การเหมาะสมมานักย้ายจุดไปให้เหมาะสมเป็นประโยชน์เพื่อกลุ่มแก่สังคมและครอบครัวทั้งนี้พระพระองค์ทรงประกอบวิเทศานายโกรธสนชั่งดในการแสดงธรรมสิ่ขงข้ามา เกิดความนุ่งสายเหวยง่ดางจึงเลิกลการไ่า้ทิที่เกิดทึ้มากลับมาปฏิบัติตนตามหยากทำที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะเห็นว่าเป็นทางที่เหมาะสมกว่าถูกต้องกว่า ตั้มเขาเปลือกอยูต้ววานานกายขอ ง, งานางจงชุ่มอยู่เหือจึงหยดปักมีนิ้นปากเล่นอยูอย่หน้าที่นางันีพระทัพพุทมาได้รับหน้าที่เป็นเสานสาสนะปัญญาประกศคือผู้แจงเสงานสาสนะแกผู้สุดท้ายว่าโรกไหนควรจะอยู่นะเสานสาสนะใหม่พระทะะพัพแะผูสุดทาา้ายตางพระธรรมเทศนาของพระาศสราสดานตตีแล้ว จะมีดวรไฟให้พิสูจน์ทั้งหลายถือประคนดวงเพื่อกับสูเส้นหนของตนมีทิสูจน์ผู้นงทางเป็นผู้นำทางสภาพในครูของิจกุเวลานั้นจะมีแสงสว่างชดช่วงเป็นรยระยะเส้นทลางจากตัวเมืองจนลุกข้าวดวงดาเป็นแสงเคลื่อนย้ายตามทางจนหมดไป เป็นร่งแสงสว่างนั้นจึงคดในจวาเวลานี้เราไม่อาจก้าวสู่วายนาได้เพราะกาลนานคับถความทกจากความเหลี่งการซ้อ้นเป็นีเนเอนอยู่แต่พระคุณเจทั้งหลายไม่ก้าสู่ภาหนะเพราะอะไรหนาะฉนร้จะมีความไม่ผาสุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกัะทันป็นแท้แท้หรืออาจมีอิสุบารุถูกงูขัดกระัง Oh m on, o 我们上楼，上啥就啥 เรื่องที่ดาช่างบุกนี้ก็ดีหรือจากเครื่องขอ ง, งานางสตรีมาซึ่งจะได้ฟังต่อไปก็ดีนอกจากเรื่องดังกลาง่าวแล้วท่านอาจารย์มีสิ่งอืทั้งสระท่ า, านได้นำเรื่องอุตตราอุบาสิกามาประพันธ์ไว้ในหนังสือพุทธจริยานี้ด้วยก็พิจาว่าเรื่องดัากล่าวทุกเรื่องนั้นมีความสมบูรณ์ในอภรตพร้อมแสดงหลักฐานในธรรมะไว้ในภาพประวัทุกเรื่องเป็นอย่างดีจึงขอท่านผู้สนใจ โปรดติดตามได้จากเทปเสียงชุดยุรารมของสตรีสมัยพุทธกาลนั่นเถิด ทศพลเจ้าพร้อมฤาษีสูสงเพื่อเสวยพระอาหารในวันรุ่งขึ้นได้ถวายมาหาทาชบรรณาการและพรนี่ตั้งแต่นั้นมาได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุวันละแปดรูปเป็นประจำนางให้อาใจารยใสสั่งคนรับใช้ยี่ทำของพระนิ่ถวายสงใส่ให้จนเป็นบาททุกรูปอาหารที่พระรูปเดียวรับไปจากบ้านขอ ง, งานางพอเลี้ยงพระได้สามถึงสีรูป มาวันหนึ่งพิสุรูปหนึ่งไปรับอาหารที่บ้านขอ ง, งานางสรีมาแล้วกลับมาตกตามเย็นสนทนากับเพื่อนพิสุด้วยกันรุปหนึ่งถามขึ้นว่าอาวสวันนี้ท่านไปรับ น, นั้นแจกจ่ายแกเพื่อนๆได้ถึงสามหรือสี่รูปแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่านางสวยเหลือเกินการไปมองดูนางดีกว่ า, าทายาทของนางเสยอีกท่านคิดดูแต่ว่าจะเลือกสะพางใดปากจมูกคอมือและเท้าของนางดูงางละเมอละลายไปหมดที่สุรนั้นได้ฟังเพื่อนเล่าดังนี้ ก็กลางหายใครจะได้เห็นนางสรีมาบ้านจึงถามท่านกับของตนว่าจะได้ไปเมื่อใดก็ทราบว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นดับของตนดีใจมาก ขึ้นเมื่ออารุณ์ยังไม่ทันเบิกฟ้าท่านก็รีบเข้าไปที่โรงสลากเล็เป็นหัวหน้าพระภิกษุอีกเจ็รูปเข้าไปสู่บ้านของานางศริมาเพื่อรับอาหารบังเอิญนางศริมาล้มป่วยลงโดยกระทันหันแต่หวานๆจึงเพื่ลี้ยงเครื่องอาภรณ์ที่สวยงามออกแล้วนอนชมอยู่เมื่อพระมาถึงนางให้สั่งสาวใช้ให้จัดแจงเรียบร้อยเหมือนชางที่นางเคยทําเอง คือไม่หมดให้พระกุณ้านั่งแล้วอามัดเป็นจุ๊บพ่อชนะให้เต็มแล้วถวายข้าวสวยแก่พระกุณเจ้าหญิงรับใช้ได้ทำตามที่นาสันทุกประการเสร็จแล้วบอกให้หนางทราบนา่งยืดคอร้องให้หญิงรับใช้ช่วยขันประคอง น, นางออกไปเพื่อไหว้พระกุณเจ้า ท, ทั้งทั้งที่กําลังจับข่าอยู่ตัวข้านาจึงสัด ง, ง้าย พิสุรุปนั้นเหอนนางสลิดมาแล้วตะลุงในความงามพลานคิดว่าโอ้กำลังจับข้าอยู่ยังงามทุกปานี้ในเวลาไม่เจ็บป่วยประดบประดาด้วยสรีาาสราพรน่าอังาการค์นางนี้จะมีรูปสมบัติที่เลอสตาลใดหนอขณะนั้นเองก่เลยที่ท่านเคยสั่งสมไม่หลายโกว่ปีก็ฟูขึ้นประนถูกแรงลมท่านนั้น มือจิตใจจดจ่ออยู่แต่นางสิมาไม่สามารถทันอาหารใดๆได้เลยกอบสู่วิหารแล้วปิด บ, บาทไมเกิดไได้แต่ต้องเอาจีวรคุมศีรษะนอนรำเพงถึงแต่สิมาด้วยความเหมือ่อยล้าลักษทีเป็นสหากุก า, ารทราบความนัาา้นพยายามชี้แจงและอ้อนวอนให้ท่านฉันอาหารแต่ก็ไร้ผลจึงอดอาหารต่ทวัน และยังวันนั้นเองนางสตรีารมาก็ตาย ผมีพระภาคว่าบัดนี้นางสลิมาน้องสาวของหมออาชีบุตรตเสไปแล้วเพราะสารสดาว์ดำสงสารเรื่องการตายของนางสริมาและทรงสารเรื่องพิสูจผู้อื่นในรูปของนางสริมานั้นด้วยทรงเห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงสัจธรรมมาตรการและทรงเห็นอุบายที่จะสอนที่สูงดุเพลิงและประชาชนทั้งหลายให้ทราบถึงความเป็นไปแห่งชีวิต จึงได้ทรงรับสั่งถึงพระราชา็นพิสารว่าขอให้รักษาศพของนางสริมาไว้ในประชาผีดิบอย่างการและสมรเป็นต้นกัดจินพระราชาทรงทราบแล้วทรงทำตามพุทธบัญชาพระทรงแม่พระทัยว่าพระาศาสดาจะทรงมีพระอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนสมวันล่วงปตามัำดับในวันที่สี่สรีระมันก็ขึ้นพอง น้ำเน่าไหลยเย้่อไปทั่วทั้งร่างสรีราชทั้งสิ้นแตกออกเป่อยหน้าและผูพังพระราชาให้ราชรุตเที่ยวตีกลองประกาศไปทั่วพระนครว่าเห้นแต่เด็กกับคนชราเฝ้าเรือนเท่านั้นนอกนั้นใครไม่ไปดูนางสริทมาจะถูกกลับไปกระหาพะละแล้วส่งสงขาไปึงพตะผูหมระภาก หาพระพุทธองค์หลายที่สูงส่งจะดูนางศริมาด้วยก็จะเป็นการดีพระศ า, าสดาตรัสบอกพระสูตทั้งหลายว่าจะเสด็จไปดูศพของนางศริมาพร้อมกับพระสงฆ์สาวกพรสูตรนั้นขอทราบว่าพระศาสดาแลายที่สูงส่งจะไปดูนางศริมาทันแม้จะวันทหารมาทั้งสีวันแล้วก็เรียบลุกขึ้นทันที เอาอาหารที่บดนั่งในบาด ท, ทันทีล้างบาดชดเจ็บบาแล้วเอาใส่ถุงนาดไปกับพิษุทงหลายาศาศาศาพระสระสดาผู้อภิสุรสง ม, มาร้อนแล้วประทับยืนอยู่ข้างหนึ่งแม้พิษุนิสงราชบริษัทอุบาสศบริษัทแกะอุบาสิกาบริษัทก็ยืนอยู่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งพระศาสนาตรัสถามพระราชาว่ามหาประพิธ น, นั่นคือใครนางสรีมาพระเจ้าข่านางสรีมาล้นพระเจ้าค่ะมหาบาพิตรถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์ยังราชบุตรให้เที่ยวประกาศในพระนครว่าใครให้ทรัพยทันหนึ่งแล้วจงมารับนางศรีมาไปพระราชารับสัให้ราชบุตรทำอย่างนั้นแล้ว ราชบุรุษเที่ยวประกาศทั่วพระนครไม่มีใครเลยที่จะรับงานสรุปมาเป็นของตน ร, ราชบุรุษประกาศลดราคาลงตามลำดับห้าร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยเดียวห้าสิบห้ากะหาปณะกหนะึ่งกะหาปะนะครึ่งกหาปะนะบาทเดียวบางสกเดียวกาคขนิดหนึ่ง ในที่สุดประกาศทั้งเป่าก็ไม่มีใครรับพระมาชาทูลความทะเวงให้พระศารดาทุลซาบแล้ว ซึ่งเ่ามาทำเท้งปวงทอดพระเนตรพิสูจน์เท่าปวงแล้วแต่ว่าดูเถิดพิสูจน์ทลายดูสตรีอันเป็นที่รักที่พอใจของคนไป็นนนมากเมื่อก่อนนี้ให้ทรัพย์พันหารประนะให้อยู่ร่วมโดยอนนาสลิมาเพียงวันเดียวคนทั้งหลายก็แย่งกันแต่แบบนี้เวลาเล่าไปเพียงห้าหกวันเท่านั้นร่างเดียวกันนี้ แม้แกพิสูผูติจิตใจในร่างกายของอาสริตมาที่นักก็ได้ดสำเร็จสองดาปฏิผลเช่นกันพระผู้มีพระภาคทรงใช้น้ำจากต้นไม้ต้นเดียวขึ้นเองบนหน้ำที่เสียบพิสูซ้ำวของพระองค์ ม, มาเป็นเวลาหลายวันถือกับฉันไม่ได้นอนไ ม, ม่หลับทรงใช้วิธีน้ำยอกขนามลงและวิธีเดียวกันนี้พระองค์ได้ทรงโปรดพระนันทะ ก็รถแห่งพนานางให้สําเร็จลักผลมาแล้วเช่นกันพระนันทะนางประพฤติธรหมจัรย์ผู้หญิงงามตามที่พระศ า, าสดาทรงปฏิญาว่าหากท่านประพฤติพรหมจรรปฏิบัติธรรมตามพระดำรัสสั่งของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์จะทรงเป็นประกันให้ได้หญิงงามและแล้วทรงพาพระนันทะนางเที่ยวดูความงามแห่งหญิงในราชสะกุลต่างๆในที่สุด เพานั่นได้เห็นแจ้งว่าขึ้นชื่อว่าความงามนั้นไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ตนเคยรักเคยหลงใหลในความงามในการก่อนนั้นเมื่อเทียบกับความงามของหญิงต่างๆที่เกิดขึ้นที่ได้เห็นในภายหลังแล้วความงามของหญิงที่ตน ร, รักนั้นมีประมาณน้อยเหลือเกินเมื่อว่างจากการที่ดูหญิงงามท่านก็ทําสมถะอิปัตนา ยังจิตท่าส ม, มุอย่างแจ้งในที่สุดต้องเห็นสภาวะแห่งชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่ควรหลงไหนยึดมั่นถือมั่นถ้าความยึดมั่นถือมั่นถ้ากลัวงง น, นั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามสัดส่วนที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจึงได้สำเร็จอรากตผลไม่ต้องการหญิงงาน ใ, นใดๆอีกต่อไปและพระศ า, าสดาทรงเป็นผู้พ้นจากการประกรันโดยปริญา นม่คือพุทธเจยรยาวิธีหนาหยาคนาบุงของพระพุทธองค์ ทรงพระมหากรุณาและทรงสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นพิเศษเป็นพุทธะจริยาที่น่าประทับใจงนักเช่นนอกปกติบุคคลผู้เคยบวชในิี่ศาสนาอื่นมากรหากเลื่อนสายในพระพุทธศาสนาปราถนาชบวตจะต้องอยู่ติญายปริว่าสี่เดือนกติญายปริว่านั้นคือการอยู่รับใช้พระสงฆ์จนเป็ที่พอใจและวางวางใจของพระสงฆ์แล้วจึงบวชได้แต่ระเบียดนี้ ทรงผ่อนผังเป็นสิทธิพิเศษสำหรับพระญาตคือถ้าเป็นพระญาตของพระองค์ไม่ต้องอยู่ติดที่ละตุลาบ้นานไม่ลำสายในพระพุทธศาสนาปราถนาสมบวดแม้จะเคยบวชนัดที่อื่นมาก่อนก็บวดในพระพุทธศาสนาได้เลยคราวหนึ่งพระญาติทะเลาะ ก, กันเรื่องอย่างน้ำในลำน้ำโรฮีดีขนาขุดตน ชาราชะการตายพวกชาวนาทั้งสองฝั่งเห็นน้ําำโลหิดีตางประชนมรึกษากันฝั่งหนึ่งเป็นชาวสากยะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนละชาวคนละได้กล่าวขึนก่อนว่าน้ํานี้มีน้ํานกันไปหากแบ่งเป็นสองส่วนให้พวกท่านส่วนหนึ่งพวกเราส่วนหนึ่งน้ําก็จะไม่เพียงพอด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นน้ํานี้ควรเป็นของพวกเรา เพื่อช่วยเข้ากล้าในนาของพวกเราให้ปลอดภัยจากการเหี่ยวฉาตายถ้าหากว่าจะแบ่งเป็นสองส่วนเข้ากล้าทั้งสองฝั่งจะตายทั้งหมดเพื่อสมหวังผลประโยชน์ด้านใดด้หนึ่งพวกท่านจึงควรให้น้ําแก่พวกเราอุปมาเหมือนเรือรั่วทั้งสองลันซึ่งจะต้องจนตายหมดในวังมหาสมุทรการจะช่วยลำใดลําหนึ่งไว้ให้ปลอไไดภัยนั้เป็นความชอบ ชาณาพวกสักย่กล่าวว่าเมื่อพวกท่านได้ข่าวเต็มชางพวกเราไม่มีข้าวเลยพวกเราก็ต้องถืออากอฮอล์พนัต่างๆถือกระสอบเปล่าเที่ยวไปยื่นขอทางตามประตู เ, ตเรือของท่านอย่างนั้นหรือเราทำอย่างนั้นไม่ได้จงให้น้ําแก่เราเถิดด้วยอาการอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็มียินยอมกันไม่อาพจพร้นมซึ่งกันแกันได้ ตางต่เถียงขัดแย้งก็รูนแรงขึ้นตามลดับจนกระทัง่งคนหนึ่งลุกขึ้นทุบตีฝ่ายหนึ่งและตัหัตถ์านากันเปนหมู่เพราะผลประโยชน์ขัดกัน ปยชน์ขัดกันเรื่องนี้ได้เป็นสาเหตุแห่งสงครามตลอดมาตั้งแต่บประกาญญาไกลมาจบ จ, บจบนถุกวันนี้สาเหตุแห่งสงครามกับชนวนสงครามนั้นเป็นคนละอย่างกันสาเหตุแห่งสงครามต้องมีมาก่อนและยืดเยื้อเรื่องรงมาเป็นเวลานานเหมือ น, น, นเต็มแก้วปริมหยดเพียงไปอีกเพียงหยดเดียวก็หกอาการที่เต็มแก้วนั้นปรียบเสมืนสาเหตุแห่งสงคราม น้ำหยดเดียวคือจำมินสงครามการทะเลาะเบาแวงระหว่างบุคลคลหรือครอบครัวสาเหตุใหญ่ก็ไปจากผลประโยชน์ที่ขัดกันหากประโยชน์ไปกันได้จะไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาสใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ว่าในวงแคบหรือวาส่วนกว้างแต่ตราบใดที่มนุษย์ังมีความเห็นแก่ตัวยางมีทิฏฐิมานะการวิวาสรู้สงครามก็ยังดูต่อไปจากนั้น ในเรื่องพยาัิของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันการประหัประหารที่เกิดขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจ้งว่าเพราะผลประโยชน์ขัดกันโดยแท้โดอเบื้องแรกชาวนาและกรรมกรก็ทุบตีกันก่อนการบิบาทันลุ ก, กลามต่อไปจนถึง ข, าขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่และราชาผู้กรองแผนทั้งสองการด่าทอเสียสีกันรุนแรงจนถึงต้นตระกูลของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายกุรยะได้พูดพาดพิงไปถึงของว่าพวกศัตยะนั้นประพฤติเเยี่ยงสัตว์เลี้ยฉานมีสมาธิจอกไปต้องที่เสพสมารสังเองให้หมูญาติพี่น้อง เช่นเดียวกันการประหารทหารที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจ้มากพราะผลประโยชน์ขัดกันโดยแท้โดยเรื่องแรกแบบชาวานาและกรรมกร ก, กระทบตีกันก่อนการญาติต่างรุกรานต่อไปจนถึงข้าราชการชั้นใหญ่และราชาัช้ากุลาอ ง, องทั้งสองการด่าทอเสียดสีกันรุนประจนถึงต้นตะกูลของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายกุริยะไม่พูด เย่สัตว์เลี้ยงฉันมีชนนักจิจกรเป็นต้นที่เสพสามารถินเองให้หมูญาติพี่ น, น้องส่ายปกศักยะาต้รับทิ้งแทนด้วยห่อคือปากด้วยอาการานี้ก็รู้สึกเจ็บแสนเหมือนกับแผลที่ถูกห่าาทะตุนังเต๋าเจ้งกล่าวต้องตระกันว่าพวกกุริยะน้นมาจากไหนเป็นมนุษย์หรือโพกระบังต้นจะกลุก็ประโลกรวนหมืสุกันเมื่อมาถึงช่นนี้ คามบดกลั้นของทั้งสองฝ่ายก็ถึงที่สุดจึงไ ด, ด้เตือนทัพยกมาประจันหน้ากันที่เรื่งฝั่งแม่น้ำโรฮีนีตามจะใช้กำลังเป็นเครื่องตัดสินเรื่องน้านซึ่งเป็นต้นเหตุโรงนั้นไม่ได้คิดถึงกันเสแล้วคิดแต่ว่าจะยัง่งยืนให้วันให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแลกร า, าดที่สนใจแก้มีบ่อยครั้งในมูมนุษย์ ทขาทำนองเดียวกับเรื่องนี้หรือทำนองนั้นเพื่อเดียวหกการเมืองทําให้คนยกพวกตีกันโดยไม่ได้คานึงถึงน้ำพุ่งเลยแม้ทตาน้อยแล้วพิฆาตลไปทุกฝ่ายเ้าวัานั้นพระผู้เป็นลาถาแห่งาาโลกโดยทรงแผ่ขลายคือพยานไปทั่สากลจักรวาลโลกธาตุเพื่อตรวจปู ป, ปัิไาสา้แห่งเดนยศัสตร์ตามพุทธจริยา ทั้งสองสายที้เข้ามาภายในข่ายคือพยานแห่งพระองค์สงสาบว่าวันนี้แล้วหากพระอง์ไม่สำเ็จไปตนสายน้านโรหิตีก็จะต้องเป็นวารรที่คุบท้ายผสมด้วยโรหิตแห่งพระญาติทั้งสองสาย เจ้าจงทรงอันตรวาสก์ข้าพระกายพันอันรื่นเริงประดุจวิชุนดาครอวอุตรานสงศีเหลืองหมุนทรงถือบาทโดยพระองเองเสล็ดออกจากพระคันธคนุดีด้วยวิราชลักษณะการเป็นปหนงสิริราชที่เยี่ยงย่างจากสวนนาคูหาทรงมีพระคาโลกนามองดูไปเท่าทุกทิศนี้พระไทยเปลี่ยนไปโลปกคุณาในสัรพสัตว์ทุกหมู่เรา มายพระพักรมาสู่ฝั่ ง, งน้ำโดยมีที่พรญาตกกำลังประหารฐานกันรักถานทึกสาเหตุแต่ไม่มีใครตอบได้ซักทอดกันเรื่อยมาจนถึงพวกกรรมกรและทาจนจึงสงสัยว่าการยาตมครั้งนี้เพราะการแก่งแย่งน้ำเข้ามาเพราะผู้นี้พระพักตร์จาจัดถามว่ามาบอกเลื น้ามีค่ามากหรือมีค่าน้อยมีค่าน้อยพระเจ้าค่ากะกษัตริย์ก็ังทูลตอบก็พวกกษัตริย์เจ้ามีค่ามากหรือมีค่าน้อยมีค่ามากเหลือเกินพระเจ้าค่าจนประมาณไม่ได้มหาบพิษว่าเป็นอยนี้ควรหรูอที่จะเอาสิ่งที่มีค่ามากไปแลกสิ่งที่มีค่าน้อยโดยการทำลายสิ่งที่มีค่ามากต้องเสีย โลกศัพท์เหล่นา น, นี้ทุศ า, า, าสนาก็สงเนทุกคนเงียบในความเงียบนั่นเองเหตุผลก็เกิดขึ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะในความเงียบนั้นบุคคลไม่มีโอกาสอยู่กับตัวเองไข่พลังคำของตนเองเพราะฉะนั้นโบราณจึงสอนว่าหากจะทาสิ่งใดซึ่งต้องการการตัดสินใจที่ถูกต้องให้ไปอยู่ในที่เงียบสงัดเสียระยะหนึ่ง เหตุผลต่างๆจะเด่นชัดมากกว่าที่จะอยู่ในที่ที่วุ่นวายอนหนึ่งคนที่เคยประกอบขังชั่วซึ่งเป็นตราประทับอยู่ในดวงใจนั้นไม่มีโอกาสใดที่จะทรม า, านมากเหมือนเวลาอยู่ในที่สนัดเพียงผู้เดียวายที่สุดพระจอมมีจึงกล่าวว่าท่านทั้ ง, งหลายวันนี้ห้าครั้งมาที่นี่แล้วท่านโลหิตจะต้องหลากหลายเป็นแน่นอน ท่านกระทำสิ่งที่ไม่ควรเลยเป็นผู้จ้าเมงกันเป็นผู้เพลินคนพราะดุจิเลศขวนขวายในการสรงหากามาคุณแต่เราทศกุลไม่มีอย่างนั้นเลยเราอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขยูนเดินเป็นสุขรู้ก่อนราชาทั้งหลายท่านยอมรับอยู่เองแล้วไม่ใช่หรือว่ากษัตริย์นั้นรู้ค่าหาบมานได้ แต่อะไรเราคือค่าของกษัตริย์เมื่อแหลเ่เลือดของกษัตริย์นั้นมีอะไรแตกต่างจากธาตุและกรรมกรบ้างเมื่อมีเลือดสีแดงเหมือนกันเมื่อถูกสิ่งที่มี ค, ม, คมก็เป็นบาดแผลเหมือนกันและในที่สุด ก, ก็ต้องแก่ต้งตายเช่นเดียวกันโดยในายานี้ว่าทางด้านกายแล้วลึกย่อมมีค่าเท่าเทียมกันแต่คุณธรรมความดีและหน้าที่อันพึงกระทำในต่างหากเรา ที่ส่งเสริมใมนุษย์ผู้หนึ่งกระสวดกว่าอีกผู้หนึ่งทั้งเราเดียวกันความชั่วย่อมทำให้มนุษย์ผู้หนึ่งแล้วคามนุษย์อีกผู้หนึ่งเราได้ต้นทุนเรื่องความดีความชั่วมาเท่าเทียงกันใครจะได้กำไรและขาดทุนก็อยู่ที่การทำเอาที่หลังแนวศักดิ์ที่อันดของคนอาจไม่เท่าเทียมกันแต่ ทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเล่นความชั่วกพราะทำความดีและทั้งใจให้บริสุทธิ์เหมือนกันท่านทั้งหลายเห็นว่าการประ ห, ระหารทหานกันเป็นความดีหรือความชั่วเล่าเป็นความชั่วพระเจ้าข้าพระญาทั้งสองฝ่ายทูลต่อพร้อมกันความชั่วเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงหรือควรกระทำควรเล้นพระเจ้าค่ะ แม่ต า, กาโกลนาอบอ้องคารีเป็นความดีหรือความชัว่วเล่าเป็นความดีพระเจ้าข้าความดีควรทำหรือไม่ควรทำควรทำพระเจ้าข้า ฐานนุติและอำนานรอยตามโดยก่อนราชาทั้งหลายบุคคลผู้ขลาจยได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะจ่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าเขาย่อได้รับการด่าตอบผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุสร้ายตอบโดยก่อนราชาทั้งหลายการด่าว่าเสียสื่อกันถึงต้นตะกูลของทั้งสองฝ่าย เป็นการด่าตนเองทอ้งสิ้นพระสากยะวงศ์นลโกรยะวงศ์มีสายเลือดเดียวกันท่านทั้งหลายทราบอย่้วไม่ใช่ว่าพระพี่านางแห่งสากยะวงศ์ได้อยู่เรื่องกับเจ้าชายพระองค์หนึ่งจากเมืองพ า, าราสีแล้วตั้นโกริยะวงศ์ขึ้นสืบต่อมาช่วอายุจนกระทั่งถึงบัดนี้และตั้งแต่บัดนั้นมาเจ้าหญิงแห่งโกรยะวงศ์ก็พิสมรสกับเจ้าชายแห่งสากยะวงศ์ และเจ้าชายแห่งสากยะเองก็อาพิเศษสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโกเรียเองมีความสัมพันธ์อันมากสลิดเป็นสายเลือดที่พระคัมภีร์ตลอดการทําร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เท่ากับการทําร้ายมันผลุนของท่านผหวายเองสายน้ำเราเหยียกกันไม่ได้ฉะนั้นสายวึงสากยะและโกเริยะก็ไม่อาจจะแยกจากกันได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้หวายดอนเอาเสถ่ หากต้นค่ากันตายฝ่ายละมากไปจะทําให้น้ําในลําน้ำเราดีเพิ่มขึ้นจนพอเลี้ยงต้นข้าวก็หาไม่ได้เพราะทุกส่ายจะต้องร่ายรับไปด้วยกันหาได้ตายเพียงฝ่ายเดียวไม่ขอให้หันหนามาปรองดองกันแก้ปัญหาความขาดแคลนน้าด้วยวิธีอื่นเถิดอย่าใช้วิธีที่กําลังจะใช้อยู่เวลานี้เลย อำนาจของพระศาสดาทางให้พระยาทั้งสองฝ่ายหวนระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างหมทั้งสองซึ่งเสือเพื่องติดตาการกลาวมารู้สึกสำเนาสำนึกใจจึงไม่ได้จับอาวุธเพื่อประหัตประหารกันอีกเขาถลายบางคมใหพระองค์มศาสดาด้วยความเคารพเพื่องสา ย, ยิ่งแา่ในหมู่นั้นบางคนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปฏิปุณเป็นต้น เมื่อเคยพระพุทธเจริญาอันเกี่ยวได้หมู่พระยาณ เจ้าโยโทราก็เศร้าโศกหาความเรื่องรุงใดๆไม่ได้เลยตอกบม้ในพระ่มจุพยานที่บานสะยัง่งส่งกลิ่นหอมหวนอยู่ตลอดที่าราตรีพระปูสาและสรีราพรมาประเสริฐล้วนแต่สาร แ, แล้วจแะแค ร, าาร่งกาีทั้งขยานที่ปเนโทชารดบนตรีที่ไพเราะปานทิพย์ุริยางเหลา่านี้คลายทำให้นานเรื่องลมะไทย สมัยเมื่อพระนรชสวามียังอยู่เคียงแต่มาปฏิสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความหมายทางเชื่อฉุนสมพนัทแก่พระนานเ ง, งานเลยแม้แต่ น, น, น, น้อยพระสิริพัฒน์ศักนันยุบจะเด็จออกโนดด้วยเพราะเหตุผลอันใดก็ช่างเธิแต่ในฐานะที่พระนางเป็นสตรีพระานางไ่จำจะต้องทรงคิดมากเป็นธรรมดาเมื่อพระสวามีทอดทิ้งไปอย่างไม่ยั่งดี ตลอดเวลาเจ็ดปีที่จากจะส่งข่าวให้ทราบสนิทธ์ก็ไม่มีจะให้พระนางเข้าพระทัยว่าใครพระนางมีสิ่งบกพร่องในหน้าที่ของชายาหรือเพระสวามีส้งเดือดพระนางพระยองไวยาหรือการประสูตรพระองค์รดองเลาทำให้พระนางทุศรจะไม่เป็นที่ปรารถนาท่วประเทศแห่งพระสวามีทีเดียวหรือหรือเพื่ออะไรกันแน่ ประจวบปะกันที่งงพรสศิษฐาจาร้นเป็นวันที่พระนางประสูติพระโอรสโอรสแรกตลอดระยะเวลาเป็นสิบปีที่คลางความมีสามีขึ้นมาในโอาเช่นนี้สเตรย่าต้องการมีสามีอยู่ใกล้เพื่อเขาจะได้ปลอบประโมลมใจให้อบอุ่นเมื่อมองดูโลกทีไรก็ต้องหย่นคิดถึงพ่อของเขาทุกทีแต่พ่อของเขาไปไหน รวเห็นคนทั้งสองคนใดคนหนึ่งทั้งนี้นือเราลำพังตัวเอไม่ได้ว่าเป็นอย่างนี้เธอต่องต้องการอย่างยิ่งซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมให้เกิดภารกขึ้นมาสตรีทั่วไปมีความรู้สึกอย่างไรง น, น, นางนัตโสธารก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่พึ่งนางจะทําอย่างไรจะไหว้ด้านตามจับตาซึ่งว่างเงานสู่ว่างน้ำลึกเสียแล้วได้โดวยวิธีใด เมือ่อนหมดทั้ทางอื่งงนพระนางก็ส่งกันแสงดูมันไม่อาจจะเป็นทางเดียวที่จะปราบประโลนพระไทยได้งานสนองพระโอ์ก็อาจจะบริพารและพระยาที่โยงฝ่ายหน้าฝ่ายในต่างก็เศร้าโศกตามและคอยปราบพระไทยให้คลายโศกแต่คำตอบโยงเหล่านั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยไม่ได้ซงทราบใครพระไทยขอพระนางไม่มีคนกราบมากเท่าไดร ก็เป็นธรามให้พระนางระลึกถึงพระสวามีมากขึ้นเท่นั้นเพราะวิสูตรเพระเท่มันโทมและเครื่องช้ต่างๆพระนางรับสั่งให้เก็บที่สิ้นเพราะสิ่ ง, งนั้นลวแต่กระต้นเตือนให้พระนางระลึกถึงพุิจากไปพระนางรับสา่งให้ลางขอวหม่มาปเปลี่ยนในู่สิ่งเดียวเท่นั้นที่พระนางไม่อาจเกิด่ได้ไม่มีอะไรมาแทนได้สิ่งนั้นคือ คือคืนพนงจะตัดกับพระราหุลตัดถึงพระสวามีสมมติว่าพระราหุนั้นสามารถขัาพระไทยในพระนเมืองจังหวัดของพนางแต่ก็ช่างเถิดพนังเพียงระบายความขับอบขับใจกับป้าสงสัยพนัจะเชิญทางพระราหุลเพียงเราก้มลงจนพิษแป๋วด้วยความถนอมพระไทยนั้นควรจะรับถึงพระสวามีทาง เราคลาว่ากันเล รู้สึกของคนยากเปลี่ยนแปลได้แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในการสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นกรณีพระาศาสดานั้นพระองค์ทรงผละจากพระโอรสและพระชายาไปสมัครง้อผลาจากคนไข้เพื่อมาช่วยหาญยาที่สาหัสเป็นแบาดโรคหน้าเดือดขาดแม้จะเทิ้งคนไข้ร้องเหวี่ยงในกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นคุณมีคนจำนว น, นมากตัมีเชิงาของพระาศาสดา สมัยมเมื่อพระองค์เสวยประชาติเป็นพระราชนอนที่ยามชาวผระชาีกังหาเป็นทานแก่กชูโชกว่าทรงเห็นแกประโยชน์สวนพระองค์ก่อความทุกข์ยากให้ถึงน้ำทั้งสองความจริงพระองค์ก็ทรงตายก่อนที่จะมอบพระราชบิโยรัถ่ายไปว่าพระองค์รถธิดาจะไม่เป็นที่รักก็หาไม่ได้แต่ทรงปราถหาพระบุติยาน ผู้ช่วยหลวงสัพสตัตถ์ถ้าพ้นจากสังสาริสากรส่งเรื่องการใหญ่จึงต้องเสียสละอันยิ่งใหญ่และต้องการผู้ที่ช่วยหลวระ อ, องค์บ้านเช่นพระมเหมสีและพระองค์วสิฎาเป็นต้นหากผู้ขอต้องการพระอง์เองพระองค์ก็จะส่งย่างให้ผลจากการเสียสละมีแผนของพระองค์ก็คือ พระชายีกันหาได้เข้าไปอยู่ในปรงสีผีกับพระคิริกาอขยขาสมายกว่าการทนทรมานอยู่ในปากของพระ อ, องค์ร่างระยะหนึ่งระยะที่สองเมื่อพระ อ, องค์สวยพระชาติเป็นพระศิษถะและได้ปยายามเลิกับสรู้เป็นพระพุทธเจา้าด้วยความพยายามอยิงอย่งใหญ่แล้วก็ได้ท ร, ปรงปลดพราหุให้พระชายอยในชาติก่อนและนำอุเบกัญญาพิชมี คือพระการนาในชาติก่อนให้ได้ขุนทรัพย์มันประสูติคืออาราตผลซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพ ท, ทุกวงสุดสิ้นทุกังยั่งยีมาเป็นเวลานานการกระทำของพระองค์ที่นี้ควรแก่การตรณหนักขรือหากตันห์พระม่สันดรก็ควรตัณห์กลางสลาโอรสชายาปละพระแม่ชพดาของขสิทธะและเสด็จออกโปรด้วยเพราะเป็นการกระทําในท่นว คือขอความทบความขลง่นงให้แก่ผู้ที่พระองค์สละไปร้พทายสายแห่งพระโพติศัตว์นั้นก็ยังขวางลึกซึ้งยิงนดีจะนำสามัญสมสมติและสิ่งที่คนสามัญทั่วไปเพื่อทได้หรืากพระองค์ทรงกระทอย่างที่ควรทั้งหลายกระทเพราะองค์จะเป็นพระพุู้เจ้าได้เลยก็ควรจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างคนทั้งหลายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ที่พระพุทธอง์แสวงหาโมฆธรรมอยู่นนขออ้างาชการน่มยหญมากพระมาสา้เพียงหกปีลงมาดังนั้นจึงทรงพระัมมาหลกไ ป, ประทัยอยู่เสมอพระราช ก, กุมารไม่ทรงเคยทราบงความาาขขเาโศลูกศย์ี่เกาจีนดวงไทยของพระราชามาดาอยู่ไม่เคยสงทราบว่าความอกอุนจาของพระมหาหาแห่งพระราชพิดาเป็นอย่างไรไม่เคยได้เห็นภาพพระบิดา จูงทรงเคยรู้รสแห่งความรัอ ก, กอนกันลางพ่อขงลูกแต่เจ้าชายน้อยก็มไม่ได้มีความกังวลใดเพราะได้รับความทะลุทะจากพระมารดาและเจ้าปู่พระพเมรุญาจึงมีอยู่ <t> <t> ดึงชัดนักเพราส่งเฉยมากแต่แสดงว่าเป็นส่งทรายทั้งหมดเอาพ่าวันใสแห่งพระบิดาไว้ด้วยช้าวันหนึ่งในวันันดูเวลาสายแสงแดดอุ่นสาดลงทั่วพุทยานเมเล็กรเต็มได้วความร่าเริงยืนแหลงและพโนจัดรกิงไม้ซึ่งพิ่อปิมายใหม่มางโดยน้ายสีทองแลอยูนี่แหละ เป็นที่ชื่อนชมสมรัอยู่สําหรับชาวละครโดยเฉพาะชาววังที่มีผ้ากิ่น้อยอาการไมา่หนาวนักไม่ร้อนเกินไปแสงแดดอุ่นเ ม, มื่อมาทางทิศใจเห็นแต่ต้นไมส้สลัดใบเก่าที้งหนุนใบอ่อนไหน่ขึ้นมาแทนน่ารื่นรมย์จริงๆพระนางสัยทลาจงประหลัดน้องของพระหุ่นปิยวโรส่งชี้ชวนดูสิ่งต่างๆให้ผู้ชม เจ้าชายน้นก็เพลเพินคอ้ทวนถามพระมารดาครั้งแล้วครั้งหน้าตามปะสาเด็กจนกระทั่งสเสด็จมาถึงริเอนทานซงหลาย่านพ่อจุทยา น, นั้นเจ้าชายน้อยทรงเดนขอขวดเปไปหลายหายน้และทรงท่านแมสายน้ำาะไลอีกไม่ได้ยหยุดทูนถามพระมารดาว่าขาแต่พระมารด า, น, า น, น้ี้ับน้ำมนฉากโกคารีระวังเหมือนขน ทัาตอบระเจะ้ามางยุทธภักขอเจ้าชายด้วยพระทัยสิหาทำไมน้ำในสระโบราณจึงไม่ไหลน้ำในลำธารน้ไหไม่หยุดเขาไนทำให้ไรแลทำไมจึงไหลไปทางโน้นบ้าเจ้าชายทรงชี้ไปทางเหนือนางทาไมจึงไหลไปทางยมุตะลาเว คือความชางคิดชาสังเกตของเจ้าชายน้อยผู้สืบชิ้อสายือพระบรมศาสนาตานเย็นเยองคือพระราชชุดยานซึ่งมีรันทานล้าหลายพันรายงันสุสานได่ส่งรดับข่าวความเป็นไปของพระบรมศาสนาจากนายปาลิศซึ่งโดนทามาจากเบนจน า, ามเป็นละครคืออาจะคลุกว า, ามหามกษัตริย์ระบ เล่าธิการอาลุตร า, ส, าสัมดาสัมพุทธิยานผู้พระมุขสมประงสงค์งแล้วก็ลังเที่ยวประกาศทางอยู่เป็นที่ของบับถือของโชมทุกชันจนกระทั่งถึงจามสสนาแห่งแคว ม, มกษคือพระเจ้า็ิพิสาร นี่คือคําสอนสอนพระจอมมลีจากปากของนายพายลิที่พระนางเจ้าจ้สุธราได้ส่งสระเพื่อม า, าถึงกับสวมกอด พ, าา พ, าาพระลาหุนแล้วสนนให้เพราะน่าลึถึงรูศาสดานั้นประการหนึ่งอีกประการหนาึานาานา่งพระทรงบันทึกถึงพรนางเองแล่พระโอรสว่าบัดนี้พระนางีิเป็นหมอนุชที่คอยตรงมิกล้าบินไปสู่ ป, ป่ากว้าง มีความหมายว่าอิสลาพระงางทรงอยู่ในกรงเกล็ดขังตนเองอยู่ในกรงคือวัตตะใช่หรือไม่โอ้พระองค์ที่ประเสริฐท่ากระไรเปิรักและนำเจษฎาธราพระธราหัวนหน้ายออกประจากรงคือวัตตะด้วยเถิดพรนางรงอภินิหารและนีต่อมาเมือ่อพระศาสดาสเสด็จมาละครก บ, บูรพ์ครั้งแรก พระนางได้มารยเทพระบาของพระพทองค์ทรงรำพันนานาประการภานาถึงวงไทยของพระนางที่เปลี่ยนเพราะ้ความรู้ถึงพระองค์ไม่ได้จิจาพระพทอง์รงกราบพระนางด้วยพระพุทธดารัสอ่อนโยนว่าเจ้ทงทรานเลยพราทั้งหลายเหมือนม่ที่ติดดวยหรือลูกที่หลตัวอยู่ในกองสถานคดด้วยารโยนและกรองอวรกร หาใชใ่เพียงกู้าตัวเท่านั้เพียงคนเดียวไม่เมื่อคาถานคตลุกพรอมแล้วจึงได้ำำนํำกำลังมาช่วยภูราห์ทั้งหลายการังของเราคือทศพลยา น, นยังแม่เป็นดามให้กูป้ปฏิบัติตามคําสอนของเราหลุดพ้นจากบุงและกรรมเช่นเดียวกับเรา